ขอโมทนากับพวกเรานะ ตั้งใจในการที่จะเจริญกุศลตรงนี้ก็คือเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนยพอพูดถึงในเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่เราทั้งหลายต้องต้องไข้ควรแล้วก็มนณสิการก็คือว่าพระบรมศาสดาทรงตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมแล้วก็ ถามอกว่าฐานะเมื่อพระองค์ได้รับพยากรณ์จากูพระพุทธเจ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเออพระทีปังกรนสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นพอได้รับพยากรเบเสร็จพบเนี่ยแปลว่าท่านได้เป็นนียตะโพธิสัตว์ต่อจากนั้นมาอีกสี่สงขัยยิ่งด้วยแสนมหากรัป ท่านบอกว่าท่านก็พิจารณาค้นหาธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถามว่าสิ่งที่ท่านได้นิยต่าพระโพธิสัตว์พูดถึงพร้อมด้วยพุทธภูนสีประการนี่เนะก็คืออุตสาหะอมมะะัคคะอวถ า, านะแลหัสฮีตาจริยานี่เขาเรียกว่านิยตาโพธิสัตว์ในชั้นของคำสอน ท่านใช้คาว่าวิริยะที่มั่นคงคือหลังจากที่ได้รับพยากรณ์เบรศเนี่ยความเพียร น, นั้นจะพุ่งขึ้นขีดสุดเลยประเภทที่ถอยไม่ได้แล้วนั้นความเพียร น, นั้นจะเป็นกลุ่มวิริยะธาตุนี่เนี่ยอารัปธาธาตุนิกรรมธาตุปรามกโดยเฉพาะประกรรมธาตุเนี่ยพุ่งเลยเต็มที่เลยเพื่อเข้าสู่ระดับกุศลธรรมระดับสูงนะ นั้นเขาเรียกว่าอุตสาหะส่วนคําว่าอมมัคคะเนี่ยเขาเรียกปัญญาที่กล้าแข็งฉั้นปัญญิีสีของพระโพธิสัตว์เนี่ยหลังจากได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยนะจะแข็งแรงมากสภาพของปัญญาที่เป็นสภาวะธรรมที่ทะลุทะลวงเนืทั้งสภาวะลักษณะและสามัญยลักษณะฉะนั้นลักษณะของสภาวะธรรมและ รู้ความเป็นจริงของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาต่างๆทั้งๆที่วงรู้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าได้รับพยากรและยิ่งกล้าแข็งอย่างเลยเพราะอะไรการที่มีปัญญาระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะไม่ใช่วิจัยกระแสขันแค่ขันเดียวกระแสขันที่อยู่ในจักรวาลทั้งสิ้นเนี่ยพระโพธิสัตวานั้นต้องเอามาวิจัยได้ทั้งหมดฉะนั้นวิปัสสนาญาณของพวกโรมัสสานั้นจึงเป็นวิปัสสนาญาณระดับมหาวิปัสสนาญาณ อย่างเรานี่เป็นวิปัสนาระดับมีข้อจํากัดมากนะแค่วิจัยขันของตนเองขันของบุคคลอื่นก็ได้ไม่กี่คนอยู่มอะนอกนั้นก็เหลืออนุมาเร า, น า, นานเนี่ยนะแต่นี้ไม่เลยสามารถวิจัยได้หมดเลยนี่คือเรียกว่าอุมมโคก็คือปัญญาเนี่ยนะประการต่อมาก็คือว่าอธิษฐานนะอธิษฐานที่ไม่หวั่นไหวเรียกว่าอาวฐาร น, นะคําว่าอธิษฐานนี่หวั่นไหวแปลว่าอะไรตั้งใจอธิษฐานแล้วก็ถอน นี่เขาเรียกว่าไหวไม่มีอธิษฐานนะไม่มีอวตารนะดังนั้นคนที่ท่านมีอวตารนะเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ถอยหลังแล้วประการต่อมาคือเมตตาจริยะเมตตาภาวนาเป็นปุเรจาริสเขาเรียกหีตาจริยาหรือการประพฤติประโยชน์เมตตาเป็นไปในกระแสขันของสัตว์ทั้งสิ้นไหมทั้งหมดเลยดังนั้นท่านึงใช้คําว่าอุสาโหวิริยังวตังเนี่ย อมมาโคปัญญาปวจติอวัธานังอธิธานังหิตาจริยาเมตตาภาวนาบอกว่ า, าวิริยาที่มั่นคงเรียกว่าอุตสาหะปัญญาที่กล้าแข็งก็เรียกอมมาคะอธิฐานที่ไม่หวั่นไหวก็เรียกว่าอาวัธานะเมตตาภาวนาเป็นปุรัรยเปรจาริกของคุณธรรมทั้งปลวงก็เลยกลายเป็นหิตาจริยาคือการประพฤติประโยชน์ ฉะนั้นพอได้รับพยากรเบียดเสร็จเนี่ยพระโพธิสัตว์จะไม่เข้าถึงฐานะสิบแปดประการใช่ไหมฮเราก็ท่องกันใช่ไหมเราไม่ปรารถนาสถานะสิบแปดประการนะ่ยคืออะไรนี่ตาโพธิสัตว์ผู้มีอภิิหารที่สําเร็จแล้วย่อมไม่ถึงอภิพาตสิบแปดประการก็คือว่าหลังจากได้อัฏฐธรรมสมโมทานบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นคนไม่เป็นคนบอดมาแต่กําเนิดปฏิเสเกิดมาพบไม่บอด ไม่บอดไปว่าตาใช่ไหมตาไม่บอดแล้วก็หูก็ไม่หนวกเมื่อแต่กำเนิดแล้วก็ไม่เป็นคนบ้าแล้วก็ไม่เป็นคนใบ้ไม่เป็นคนแคะแล้วก็ไม่กำเนิดในชาติมิราาักษาคือคนป่าเถื่อนแล้วก็ไม่เกิดในท้องของนางทาสีคือคนคนขอทานเนี่ยนะ แล้วก็ไม่เป็นนิยตามิจฉาทิฐิแล้วก็เพศก็ไม่กลับเป็นสตรีอีกแล้วไม่เป็นผู้หญิงแล้วแต่ได้รับพยากรณแล้วเนี่ยนะไม่ทําอนันตริยกรรมทั้งห้านี่เรายังไม่ได้รับพยากรมีโอกาสทำหรือไม่ทําเนี่ยกลุ่มที่ไม่ได้รับพยากรณเนี่ยมีโอกาสทำคือตรงนี้นี่แหละน่ากลัวไหม<ส>มีโอกาสจะฆ่าแม่มีโอกาสจะฆ่าพ่อมีโอกาสจะฆ่าพระรหัาร มีโอกาสที่จะทํำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตเพราะข่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะพระพุทธเจ้านั้นจักไม่ตายด้วยความพยายามของบุคคลอื่นแต่ท่านใช้คําว่าพระบรมศาสดาจักไม่ปรินิพานด้วยความเพียรพยายามของบุคคลอื่นแล้วฉะนั้นใครไม่ได้ปรารถนาถูกพระทศร้ายให้ถึงแก่ชีวิตได้ก็ต้องปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นวุฒิเจ้านี่ใครทําไม่ได้อย่างดีก็แค่ห่อพระโลหิต นี่ไงคือความบริบูรณ์แห่งกุศลกรรมของพระบรมศาสดาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ทำสังฆเภศพอนึกทียบเนี่ยมาสลดใจตัวเองทุกทีเนี่ยวันนี้มากล่าวพระธรรมรู้พระธรรมอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปอยู่ในกลุ่มมิชาทิถีเมื่อไรในสังสารวัฏในนาคเพอเพอกลัดไปทำกรรมห้าประการนี้คนคิดดูชีวิตจะหมกไหมกันนน่นเลในดีก็ทามาแล้ว ไม่เป็นคนโรคเรื้อนถ้าเกิดในกำเนิดเดรฉาญก็มีอัตภาพปานกลางไม่โตไม่ใหญ่โตกว่าช้างแล้วก็ไม่เล็กกว่านกกระจาบไม่เกิดในขุ ป, ปาสิกาเปรตและนิชามะตนิกระเพดไม่เกิดในจำพวกอสูริกอพวกกาลิกกันชิกาอสูรนะแล้วก็ไม่เกิดในเวจีในเวจีก็ไม่ไปเกิดแล้วในโลติโลกานติก า, รการนรกในระหว่าง จักรวาลก็ไม่เกิดแล้วก็ไ่ไม่เป็นมารในสวรรค์ไม่ไปเป็นมารแล้วหรือในรูปาวจรทั้งหลายก็ไม่เกิดในสัญญีพพด้วยในสุดทาวาสไปไหมไม่ไปแล้วในรู ป, ปภูมิพระปพธิษัท์ก็ไม่ไปแล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่ได้รับพยากรณ์แล้วจกไม่ไปสู่จักรวาลอื่น ที่ไม่ใช่จักรวาล น, นี้แสดงว่าพบภูมิยังเหลือเยอะไหมน่ากลัวไหมถ้าเราจะหลุดไปอยู่จักรวาลอื่นก็จะไม่ได้เห็นาษาสถาแล้วมาถึงเคยถามว่าเคยถามตัวเองไหมว่าเนี่ยเรามาทำไมจักรวาลเนี่ยชมพูทวีปมาทำไมมันที่คนมีบุญเขามา คือกลุ่มที่มีเหตุปัจจัยนะถึงมาเกิดอยู่ในจักรวาลนี้ในชมพูตวีบนี้ฉะนนั้นเมื่อมาแล้วอย่าวิปริตมนสิการให้เริ่มตั้งความเพียรเสียเพราะถ้าไม่รีบตั้งอัธยาศัยให้แข็งแรงให้มั่นคงโอกาสจะหลุดไปสู่จักรวาลอื่นมีหรือไม่มีเพราะธรรมชาติของจิตสสาสไหมสสาสมากเดินทางได้ไกลไหม อะไรมากแล้วแต่จะรับอะไรเป็นอารมณ์เอาเลยสิแต่เนี้ยแล้วตอนนี้เราก็ได้เพศอนุกฤษได้ฐานะอนุดมสมบูรณ์ได้จักรวาลที่ชัดเจนและในภพภูมิที่มีพระสามมาสมุทรเจ้าในภูมินี้พระพุทธเจ้ามาเกิดในภูมินี้ถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้ามีในสมัยใดท่านก็มาเกิดและในภูมินี้พระหทหานตสาวกทั้งหลายเข้ามาเกิดและภูมมีบุญทั้งหลายก็มาเกิดกันในภูมินี้แหละที่เขาต้องการจะบรรลุอ่ะ ก็ถามตนเองว่าตนเองเนี่ยมาเนะี่ยมาเพราะเหตุปัจจัยฉะนั้นตรงเนี้นะก็ให้พิจารณาว่าเมื่อเราได้ฐานะอนุกริยอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งเราจะต้องเร่งรีบและเพียรพยายามนี่คืออะไรก็คือว่าต้องถ้าสัตทินรีวิริินศีสตินทรีสมาทินทรีปัญยรียไม่แข็งแรงต้องเพิ่มและ ฉะนั้นพระโพธิสัตว์หลังจากได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยนที่เป็นเนียตะเนี่ยท่านจะมีอัธยาศัยหกประการนะเพื่ออะไรเพื่อจะบ่มโพธิญาณให้เข้มแข็งประการแรกเขาเรียกเนคขมัตชาสยะคําว่าชาสยะแปลว่าอัธยาศัยอุปนิสัยนั่นเองอุปนิสัยที่มีกําลังในการที่อัธยาศัยในการในเนคขมัตได้แก่มีปกติเห็นโทษ เห็นโทษในไหนเห็นโทษในกามถามบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยลำดับแรกเนี่ยเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยท่านจะเห็นไทยในการเป็นฆระวาดท่านจะรู้ทันทีว่ามันคับแคบเหมือนอะไรเหมือนนักโทษอยู่ในเรือนจำเหมือนปลาที่ถูกขังอยู่ในตะครองเนี่ยนะหรือเหมือนนกที่ถูกขังอยู่ในกรงเหมือน เหมือนอะไรเหมือนเราท่านทั้งหลายอยู่ในวงล้อมของศัตรูหรือไฟล้อมอยู่เนี่ยเ ร, เรามีความคิดแบบนี้ไหมตอนนี้เราอยู่ในวงล้อมไหมชาติล้อมอยู่ไหมชะลาพญาทิบรณะความโศกใกล้ไปตามลําดาบเถิดกายทศจริตวจีทศจริญมโนทศจริญยังวัล้อมอยู่ไหม ล้อมอยู่ใกุศลละธรรมลามกฉะนั้นพอคิดอย่างนี้เลยเห็นว่าคารวะนั้นคับแคบเป็นทางไม้แห่งทุรีอะไรคือทุรีราคะเป็นชื่อของธุรีโทสะเป็นชื่อของทุรีโมหะเป็นชื่อของธุรีพูดอย่างนี้แล้วอยากเดินออกบทไหมไปได้ไงท่านก็พูดไปใช่ไหมแต่จริงๆคือยังไงเอา้าคารวะวิสัยคับแคบในการเดินกุศลไหม ครับแคบเล่นกุศลไม่ค่อยสะดวกหรอกโอกาสบาปเกิดง่ายไหมนั่นแหละตรงนั้นแหละท่านจะเห็นโทษฉะนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะค่อนข้างเป็นอย่างนี้เลยน้อมเนกมะปะวิเวกัดชาสยะอัยาริยใสในวิเวคมีปกติเห็นโทษในการครุกคลีด้วยหมูคนะจะไม่ชอบคุกครีแล้วเดี๋ยนี้เพราะการครุกครีโอกาสบาปเกิดเยอะไหเยอะเยอะมากใช่ไหม แต่ถ้าคุกการว่าคุกคลีในที่นั้นเป็นชื่อของถ้าอยู่คนเดียวบาปเกิดยังเรียก ว, ว่าคุกครีไหม<ง stag>ก็เรียกว่าคุกครีแท้จริงคำว่าคุกครีในที่นั้นเป็นชื่อของราคาโทสาวมูหาด้วยนะเนี่ยเป็นชื่อของการคุกครีด้วยบาปด้วยแล้วถ้าอยู่คนเดียวแล้วบาปเกิดอย่างนั้นก็ต้องคุกครีกับบัณฑิตเข้าก่อนแต่เขาไม่เรียก ว, ว่าคุกครีท่านเรียก ว, ว่าสมาคมคบหาเพื่อจะได้เดินออกจากนะ สภาพบาป อ, อกุศลธรรมประการที่สามอะโลพัชชาสยะอัธยาศัยในความไม่โลภนั้นคนที่มีอัธยาศัยไม่โลภก็แปลว่าเขาทําลายความโลภได้ค่อนข้างดีจะได้กุศลศีล ด, ดีไหมเงี้ยอโลพัทานทําลายโลภะสมาธิทําลายโลภะด้วยเอาคนที่มีอะโลภัชทานทําลายโลภะใช่ไหมคนให้ทานแบบไม่มีอโลภัชทานจะทําลายโลภะได้ไหมไดไม้ไม่ได้ไม่ได้เลย ฉะนั้นทานกุศลเนี่ยลักษณะของทานกุศลอยู่ไหมเจตนาทานอโลพาทานเห็นชัดเลยกิจของทานกุศลก็จะไปทําลายเลยทําลายความโลภทีนี้ผลปรากฏของทานก็คือภาวะวิภวะสัมปัติปัจจุบฐานางไงมีความสมบูรณ์แห่งพบชาติและความสิ้นไปแห่งพบชาติเป็นอาการปรากฏนี่อธิบายรายละเอียดไปหมดแล้วใช่ไหมแล้วอะไรเป็นเหตุใกล้ของทานอกุศล สัทยญาประทัฐ า, านังมีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระารานนตรัยในเรื่องของกรรมและผลของกรรมรู้ไหมทําไมตัวเองถึงเจ็บปวดในสิ่งแวดแล้อมมองไปที่ไหนก็ไม่ใช่เราเป็นเจ้าของเลยเนี่ยเพราะทานกุศลแล้อ่อนแอ น, นั่นเองแล้วทำไมเราจึงติดในสิ่งแวดแล้อมเมื่อเราได้วัตถดุดีๆมาแล้วก็เพราะให้ทานโดยไม่สละ ไม่สละความตนีไม่สละความยึดติดใช่ไหมพอได้ผลของทานมาแล้วก็ไปกอดแล้วก็ตายอยู่กับผลนั้นไหมโอ้โหรายละเอียดเยอะมากมมานเมธานี่ใช่ไหให้ไปเป็นกลับกลายเป็นโทษให้แล้วรวยนี่แหละแต่เป็นโทษไหมเป็นโทษให้ไปก็ได้แค่เป็นปู่โสมเฝ้าเลยเฝ้าทรัพย์พอตายไปเลวกลายเป็นปู่โส ม, จ ร, ม, สมจริงั้ยปู่โสมจริงๆิงแล้วก็มางเฝ้าทรัพย์แล้วก็เดินออกจาก สังสารวัฏไม่ได้อันนี้เรียกไม่มีอะโลพั ช, ชายะถ้าพระโพิษัทท่านจะมีตรเนี้ยอโลภั ช, ชายะประการต่อมาคืออโทสัจชาสยะแปลว่าอะไรอัตยาใสที่ไม่โกรธอัตยาใสที่ไม่โกรธก็ได้แก่ปกติก็เห็นโทษของอะไรเห็นโทษของโทสะเห็นคุณของเมตตาใช่ไหมอันนี้สภาพใจที่เป็นไปกับความรักความปรารถนาดีความเ อ, อื้ออาทอน เรามองหน้าใครแล้วเมตตามันวิ่งไปได้ไหมไม่ไปเลยไปแต่ค ว, วามคิดใช่ไหมหนักบางครั้งก็มันได้ก็เป็นมองนี่ขัดเคืองมากใช่ไหมเดี๋ยวเราฝึกดูทีไอ้บางครั้งเนี่ยเคยคิดไหมว่าทําไมจิตใจเราไม่ไอ้ใจเรามันไอ้ญิงคนใจร้ายนะคิดถึงคนอื่นไม่เคยเมตตาไม่เคยปรารถนาดีไม่เคยรักไม่เคยเอื้อทอน แบบจับจิตจับใจไม่ ค, ค่อยเกิดเลยใช่ไหมมันไปแต่ความคิดเนี่ยเจอหน้าใครก็อ้าไปไหนมาพอธรรมดาไปทั้งนานเอไม่เห็นเมตตามันเดินเลยคิดถึงคนได้เต็งเยอะอ่ะโทรศัพท์หาใครเคยแผ่เมตาก่อนไหมเคยไหมเยอะมากไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมว่าวันหนึ่งเราคิดถึงคนถึงยี่สิบสามสิบคนมยเยอะกว่า น, นั้นไหม แต่เมตตาไม่เอยไปกับความคิดแต่ความคิดมันไปก่อนหน้านั้นแล้วอันนั้นบ่งบอกว่าไม่มีอาโทสัจชายะไม่มีใจที่เป็นไปกับเมตตานั่นเองโมหะสัจช า, ชายะัายาสายในความไม่หลงได้แก่มีปกติเห็นโทษของโมหะโมหะอันตรายไหมลุ่มหลงมากนีนิสสารณัตชายะก็คืออัตยาสายในการสลัดออกได้แก่มีปกติเห็นโทษในภก ในการมาพบรูปประพบและรูปประพบเนี่ยไม่อยากไปเกิดแล้วอัตยาศัยทั้งหประการนี้ของพระโพอธิสัตว์เนี่ยเป็นปัจจัยแก่บารมีทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่ฐานบารมีศีลบารมีเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเบขาถ้าไม่มีอัตยาศัย6ประการบารมีจะขึ้นไหมฉะนั้นประกอบด้วยอัตยาศัย10ประการไงทานัญชาสยะอัตยาศัยในทานตอนนี้มีไหม อัตยาใสพวกนี้เรามีไหมเนี่ยอัตยาใสในทานในกุศลสละวัตถุทานกับสละอะไรบ้างเจตนาทานด้วยสละอโลพาทานด้วยใช่ไหมคือทําให้สภาพของใจเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยการสละเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่การให้อภัยให้กันเป้าหมายของทานในกุศลจริงๆคือเป้าหมายมาขับเน้นที่ให้นา ม, มาทำใช่ไหมให้นา ม, มาทำ ที่เป็นไปกับกุศลให้น้ำมาทําที่เป็นไปกับกุศลตอนนี้ที่นั่งกันเนี่ยทานภายในเนี่ยให้กันแข็งแรงหรืยอยังระดับมหาทานเนี่ยเห็นความสําคัญของมหาทานมหมยุงกัดแล้วยังกรุณายุงได้อยู่ไหมได้แล้วใช่ไหมไม่งดเหตวินเก่าก่อนใช่ไหมฉะนั้นมหาทานข้อแรกเริ่มแข็งแรงไหมเริ่มแข็งแรง ถ้ารู้ว่ายุงตรงไหนมีเชื้อโรคที่จะเป็นโรคเท้าช้างก็ไปเดินไม่นั่งยืนนี่มันกัดทางนี้มหอันนี้ไม่ถูกเนาะอันนี้ขาดเลยขาดปัญญาโอรีบตอบทันทีเลย <c oughs> <c oughs> บางคราวบางทีไม่ค่อยใจ้ปัญญาเท่าเลยนะ่เนาะรีบอธิบายเหตุผลเลยแต่เพีงเป็นโทศรศาด้วยนะั่ไม่ได้ไปทำงั้นไม่ได้เราต้องมีปัญญา ต้องให้ชีวิตเออกรณีจะทําจะให้ก็ต้องมีปัญญาด้วยวิจัยยะทานั่งหนุนแต่ในข้อเท็จจริงมไม่โธสากลเที่จริงก็คือท่านวิจัยกรรมและผลของกรรมนี่นะถ้าอากุศลกรรมมันแรงแล้วมันจะให้ผลหญิงนั่งอยู่อย่างนี้มันก็มากัดได้มันมันไม่บินกัดคนอื่นมันวิ่งกัดเราเอะวะมันเป็นอย่างนี้แหละที่ประเด็นมันอยู่อย่างนี้สีรัต ชาสยะอัธยาศัยในศีลตอนนี้มียังศีลสําคัญกว่าชีวิตหรือยังเช็เอออาแล้วใช่ไหมอาสำคัญกว่าไวัวะหรือยังสําคัญกว่าญาติหรือยังศีลสําคัญกว่าทรัพย์หรือยังเลย่อยชิยได้ยินนิดนิดนิดนิดนนิดพอ ที่ตอบบางครั้งก็ดีนะที่ลูกเขาไม่มานั่งฟังเอด้วยงั้นโอ้ต้องอธิบายกันยาวเลยเนี่ยถามจริงทำแม่ระหว่างศีลกับหนูในแม่เลือกหนูใช่ไหมโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมถามจริงเดอยใช่ไหมแสดงว่าแม่ไม่รักหนูกันโอเป็นเรื่องยาวเลยใช่ไหมแล้วจะอธิบายลูกยังไงอ่ะไปละ ว, วิธีอธิบายถ้าเขาบอกว่าระหว่างศีลกับหนูเนี่ยแม่เลือกศีลเลยแล้วแม่ไม่เห็นหนูเป็นลูกแล้วหรือ แล้วจ<บ> <PTSD> ะตอบเขาว่าไงแม่ว่าไงคนมีลูกท well ั้งหลายจะตอบทีเนี้ตอบไม่ได้เลยใช่ไหมก็บอกว่าลูกลูกที่แม่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเพราะศีลกุศลส่วนลูกเกิดมาเป็นมนุษย์ได้กระเพราะศีลกุศลถ้าลูกไม่รักษาศีลกุศลเนี่ยลูกก็ไปปฏิสนธิในท้องอบัยสัตว์ไปแล้ว นี่ลูกมาด้วยเพราะศีลกุศลมาด้วยกุศลกรรมฉะนั้นศีลจึงสํสาคาัญกว่าลูกถ้าไม่มีศีลกุศลแม่ก็ไม่ได้เป็นแม่ของลูกถ้าไม่มีศีลกุศลลูกก็ไม่ได้เป็นลูกของแม่เข้าใจยังฉนั้นศีลกับลูกศีลจึงสํสาคาัญกว่าลูกแต่ไม่ใช่ไม่รักลูกแต่รักน้อยกว่าศีลเพราะศีลสาคาัญกว่าลูกจริงๆ เข้าใจยังแต่เนี้ยอ่ายังไม่เข้าใจอีกเอามองพอจะมองเห็นเนี่ยพอมองอย่างนี้ก็เริ่มชัดแล้วโอ้เรามาได้เพราะศีลกุศลการได้อัตภาพมนุษย์ได้เพราะกุศ ล, ลกรรมเหมือนศัพ์คําว่ายัางไงคําว่ากรรมสกตาคําว่ากรรมสกาสตากรรมทายาทากามโยนิกกรรมพันธุกรรมปฏิสารนังเนีนยหม อ, ยอยริยทิพย์อะไรยังไงสั์เนี้ย กรรมสกาเนี่ยกรรมสกาเนี่ยจะที่บายยังไงแปลว่าไงสัตว์ทั้งหลายมีกรรมอะไรเป็นของของตนแล้วตนไหนอ่ะฮะนั่นโดยศัสตร์คําว่ากรรมมสกาเนี่ยมายจากคาว่ากรรมมสกาสัตตาใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็น ศัพท์นี้มาจากคําว่าอัตโนโอีทันติเนอะอีทังเนอะเดียวสกังเข้าไปกามัสกาก็คือว่าอัตโนโอีทันติอีกังเนี่ยเดี๋ยวสกังเนี่ยศัพท์นี้เป็นของตนเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสกะใช่ไหมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากามัสกาเนี่ยสัตว์ผู้มีกรรมนั่นเองเป็นอะไรเป็นทรัพย์ของตน เอางี้เงินทองรัตนาชาติแก้วแหวนทรัพย์สมบัติต่างๆที่ตนสะสมที่เนื่องด้วยตนเน่ยที่ไม่เนื่องด้วยตนหรือเนื่องด้วยคนอื่นเน่ยชื่อว่าเป็นทรัพย์เฉพาะตนไหมเราไปเข้าใจว่าเป็นทรัพย์ที่เกิดขึ้นเฉพาะตนเป็นของของตนใช่ไหมความจริงแล้วไม่ควรเรียกว่าเงินทองรัตนาชาติทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยนะว่าเป็นทรัพย์ ที่แท้จริงของตนเพราะอะไรอ่ทรัพย์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับเราท่านทั้งหลายได้เฉพาะในปัจจุบันภพนี้เท่านั้นใช่ไหมหลังตายไปแล้วกลายเป็นของคนอื่นไหมไม่สามารถที่จะติดตามไปสู่ภพอื่นได้แม้ในภพปัจจุบันเนี่ยทรัพย์สมบัติของตนเองแท้แทเนี่ย บางข่าวก็ไม่ใช่ของเราเคยเจอใครเคยเจออันตรายจากน้ํำไหมมีทรัพย์แล้วโดนน้าเลยอันตรายจากไฟอันตรายจากโจรอันตรายจะอันตรายยจนถูกลิฟต์หรือถูกญาติถู ก, กโกรงอะไรต่างเคยเคยเจอไหมแล้วพอพอเป็นของเราไปเสร็จแล้วนะ่ะเข้ายังไม่ทันตายเลยมันหายไปเป็นของคนอื่ น, นเคยเป็นไหมล่ะ นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงบอกแม้ในปัจจุบันใพบนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวเนื่องกับอันตรายจากไฟจากน้ําจากพระราชาจากลมต่างๆเยอะแยะไปหมจเลยอันนี้จึงบอกว่าจึงไม่สามารถเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของตนได้กุศลศีลทานศีลเนี่ยนะทานศีลภาวนากับการทุศีลเป็นต้นสุจริตกรรมและทุจริตกรรมเนี่ยนะที่ตนทําไว้แล้วนั้นจึงชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของ ของตนไหมเพราะเกี่ยวเนื่องเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับคนอื่นเลยใช่ไม่ใช่แล้วสุดจริญกรรมทวดจริญกรรมนี่ยจะติดตามเราไปสู่ภพอื่นไหมเป็นร้อยชาติไหมพันชาติไหมเป็นแสนชาติตลอดกลับได้ด้วยแล้วน้ําไฟพระราชาโจรเป็นต้นไม่สามารถยึดเอาไปได้นะั้นฉะนั้นพั ถ้าศาสดาทรงประสงค์คำว่ากรรมมสกาสตาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมนั่นแหละนั่นเองเป็นทรพัพย์สมบัติของตนเนี่ยนี่เข้าใจอย่างสัตว์นั้นมีกรรมนั่นแหละเป็นทรพัพย์สมบัติของตนเห้นตอนนี้เราก็มาพิจารณาว่าเรามีรถเรานึกว่าเป็นทรัพย์ของเราใช่ไหมมีบ้านก็นึกว่าทรัพย์ของเราใช่ไหม มีบุตรมีภรรยาแล้วเข้าใจเป็นของของเราหมดไหมกรร ม, มทายาธาแปลว่าอะไรกรร ม, มทายาธาคือสัตว์ผู้ถือเอามรดกแห่งกรรมเนี่ยสัตว์ย่อมถือเอามรดกแห่งกรรมที่ทําแล้วนี่แหละจึงเชื่อว่ากรร ม, มทายาธาแล้วไปบอกว่าลูกชายลูกหญิงบิดามารดาเนี่ยเป็นทายาทไหมเป็นหรือไม่เป็น เป็นทายาทชั่วคราวไม่ใช่ทายาทที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่ารับมรดกนั้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะเช่นเราจะรับมรดกของพ่อแม่รับได้ชั่วคราวไหมชั่วเฉพาะพบนี้บางทียังไม่พบนี้ยังเผื่อไม่ได้โดยเนื้อแต่สุจริตกรรมเทือุจริตกรรมเนี่ย เป็นมรดกที่แท้จริงไหมรับถาวรไหมรับไปเหอะฉะนั้นบุญและบาปที่ทําไปทุตศีลและการมีศีลกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยเป็นนี่ไงเราจะเป็นทายาทของกรรมเหรอเนี่ยเข้าใจยังไงเดี๋ยวนี้งั้นเราเป็นทายาทของใคร เออเป็นทายาทของสุจริตกรรมและทุจริตกรรมเข้าใจยังพูดว่าอะเข้าใจยังเราเป็นทายาทของกรรมคือการกระทําโดยแท้แต่เรานึกว่าพ่อแม่ลูกหญิงลูกชายเป็นต้นใช่ไหมเราไปเข้าใจว่าเออเป็นทายาทของเราเราเป็นทายาทของท่านกลับไปบอกท่านได้ยังเดีเยวนี้บอกท่านได้เราบอ บอกไม่ใช่ทายาทีแท้จริงเขาเรียกทายาชั่วขราวเมื่อทายาชั่วคราวเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดเลย